ระหว่างที่กำลังเดินผ่านสารพระภูมิเงาดําทะมึนเป็นรูปร่างคนเดินตะคุ่มตะคุ่มตัดหน้าไปในระยะกระชั้นชิดจากชายป่าด้านขวามือเข้าไปยังด้านซ้ายมือซึ่งเป็นสารพระภูมิแล้วก็หายไปกับตาผมกับเพื่อนหยุดชะ ง, งักทันทีแล้วหันมามองหน้ากันด้วยความตกตะลึงขนหัวลุกสู้มือเย็นเฉียบต่างคนต่างไม่พูดอะไรได้แต่นิ่งเงียบแล้วสกิดมือกันเหมือนเป็นการให้สัญญาณว่า